<c oughs> ดังไหมดึกแล้วเนี่ยอ๋อ <c oughs> มันดึกแล้วใครจะฟังฮ <c oughs> ให้หลวงพ่อขึ้นธรรมะตรงนี้หลวงพ่อเขินขนาดได้เนี่ยอห <c oughs> ลวงพ่อจำเป็นจำใจได้ขึ้นเด้อเขาจำย้อนขึ้นเลยเด้ แท่จริงครูบาอาจายท่านเทศเสร็จแล้วก็น่าจะจบไปแล้ว อ, อืมันจะมีใครอยู่ฟังสักกี่คนกี่ท่าน <c oughs> แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความจําเป็นหัวใจหนึ่งดวงมีความจําเป็นหัวใจทุกๆดวงมีความจําเป็นเหลือสักกี่ดวงก็มีความจําเป็นเท่านั้น ไม่ขึ้นชื่อว่าน้อยไม่ขึ้นชื่อว่ามากเรามานึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าของเราหนึ่งคนหนึ่งองค์ท่านก็เสด็จไปโปรดด้วยความยากลาบากพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องมีมากมายแต่สมัยท่านไปโปรดอุรุเวละสะ ป, ปะ ชะดินสา พ, พี่น้องเนี่ยมีจำนวนมากเป็นพันอันนั้นมันเป็นการบุกเบิกมันเป็นยานนัศนะมันเป็นความรู้ความเห็นที่พระองค์มองเห็นแล้วถ้าเราบุกตรงนี้ได้พระศาสนาเราก็จะไปได้เร็วต้นตำนานแท้ๆเป็นอยู่อย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ประวัติความเป็นมา ทุกอย่างพวกเราก็ได้ยินได้ฟังทุกระยะทุกเวลาทั้งทางขอศพทั้งทางที่เราได้ยินได้ฟังกันมาตลอดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็จะพูดเฉพาะแนวปฏิบัติเฉพาะข้อปฏิบัติขอโอกาสขอกรมมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตา พระมหาบัวญาสัมปันโนพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ลีกุศลทโรซึ่งท่านเป็นหลักท่านเป็นประธานให้กับชีวิตจิตใ จ, จของเราของท่านทุกท่านทุกคนทุกองค์และขอโอกาสครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์ขอโอกาสหมู่เพื่อสาธ ร, รมิกญ <c oughs> าติยอมผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลาย ให้เปิดใจรับฟังเสียงอัดเสียงธรรมตามสมควรแก่เวลา <c oughs> วันนี้ถือว่าเป็นวันฉลองใหญ่ฉลองเจดีย์พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์บริคารของลงตาของเราพิพิธภัณฑ์รบริกานเป็นที่บริสถานอัฐบริคารของท่าน อัธิธาตุของท่านบางส่วนและก็ธรรมะของท่านบางส่วนคงจะมีปริสถานอยู่ในที่นี่ซึ่งเป็นความเมตตาต่อพวกเราสานุสิทธ์นำหลวงปู่ีท่านเมตตาพวกเราท่านนำพวกเราทำเพื่อเป็นการเทิดทูนเพื่อเป็นการบูชา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ดวงตาพระมหาบุญชนสัมปันโนของพวกเราซึ่งเป็นผู้ที่จุดประกายไขธรรมะไขจิตไขใจของเราให้มีความใสสว่างขึ้นมาเป็นเหตุให้เกิดเป็นเหตุให้มีการสร้างเป็นเหตุให้มีการทำเพื่อเป็นการระลึกน้อมลึกบูชาพระคุณของท่าน พวกเราทั้งหลายผู้เป็นสานุสิทธิ์ทั้งโลกสิทธิ์ทั้งหลานสิทธิ์ทั้งเลนสิทธิ์ทั้งโลกสิทธิ์หลานสิทธิ์เลนสิทธิ์ของลงตาของลงปุรีกุศลทะโรของพวกเรามีความพร้อมเพรียงสา ม, มัคคีกันทุกระยะทุกเวลานับตั้งแต่ท่านดําริพาสร้างพาทำตรงนี้เราก็เห็นท่านเปิดโอกาสให้พวกเรามีโอกาสได้ทํามาเสียสละ ด้วยจะถูปัจจัยด้วยหัวคิดหัวอ่านด้วยน้ำพักน้ำแรงบางคนก็ตั้งจิตตั้งใจพุทสามาจัมาทำมาสร้างเทปูนมัดเหล็กทำอะไรทุกอย่างทำความสะอาดช่วยจัดช่วยยกช่วยเมี่ยนช่วยเก็บขอให้มีส่วนร่วมขอให้มีส่วนร่วมเพื่อที่จะเทิดทูนบูชาคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของลวงตาของเรา ร ว, รวมทั้งพระบุรพายจารย์หลวงปู่สาวหลวงปู่มันด้วยและอีกสดหนึ่งก็คือเพื่อเทิดทูนบูชาคุณของหลวงปู่ลีที่พวกเราทั้งหลายได้จัดได้สร้างได้ทำเป็นการน้อมนึกระลึกบูชาคุณของท่านเปิดโอกาสให้พวกเรามีโอกาสได้ทําและก็ให้เป็นมีโอกาสเกิดวันนี้ขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมาก แล้วก็วันนี้ก็ทําไมต้องโดนหลวงพ่ออีกเหมือนกันขึ้นมา น, นั่งตรงนี้รู้สึกเขินมากเลยแหละเนี่ยมไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดเลยข้ออัดข้อทำเรื่องราวท่าอาจารย์อินท่านก็เมตตาเราเมื่อกี้เนี่ยเมตตาไปแล้วตั้งห้าสิบสองนาทีนะไม่ใช่น้อยๆ น, นะแล้วก็เมตตาเราแล้วพระมหาเทระนี่เป็นอนุเทระก็ยังเดินตามหลังอีกเอาเป็นว่า อะไรเป็นสาระเป็นประโยชน์ไปจับเอาถือเอาเขาแล้วกันนะพวกเราท่านทั้งหลายมาทุกข์มายากลําบากกับกองทุกนี่แหละกองทุกเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละกองทุกกองท้าดกองขันนี่แหละพวกเราเอาจิตเอาใจกําหนดจดจ่ออยากมีความสุขอยากมีความเจริญกขาเพราะอะไรเเพราะเราเข็ดเราหลับในความทุกนั่นเองอ่า เขามีอยู่มีกินเราก็ขอให้มีอยู่มีกินเขามีอยู่ก็ขอใหเรามีอยู่เขามีกินก็ขอใหเรามีกินเขามีใช้สอยก็ขอใหเรามีใช้มีสอยเ <Bun. S 1> ขาได้รับความสุสขสะดวกสบาย <adores S 2> ก, yet, ก็ขอใหเรา ม, มีความสุขมีความสะดวกสบายเพราะฉะนั <recon> ้นทุกคนก็ตั้งตั้งอกตั้งใจทำสร้างทั้งทรัพย์สมบัติสร้า ง, ท, ง, างทั้งอริยะสมบัติ ทรัพ ส, สมบัติก็เหมือนอย่างวกเรามีความจําเป็นที่จะต้องจัดต้องหาต้องทําหามาเพื่อได้ขบได้ฉันหามาเพื่อได้อยู่ได้พึ่งพาอาศัยหามาเพื่อได้ใช้ได้สอยมาเพื่อช่วยอํานวยความสะดวกพวกเราก็ตะเกียกตะกายแสวงหาทรัพย์เหล่านี้ทรัพย์ภายในครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านสอนทานะ น, นะศีลนะ ภาวนานะสมถะวิปัสสนานะพวกเราก็ต่างไม่นิ่งนอนใจพวกเราต่างองค์ต่างคนต่างวิ่งเต้นจับขวนขวายหาโอกาสให้โอกาสให้กับตัวเองทอําบุญวัดนี้บ้างทําบุญวัดนู้นบ้างถึงแม้ว่าจะอยู่ที่ทรับบ้านตา่ากไปทําบุญที่วัดนู้นบ้างที่วัดนี้บ้างหาโอกาสเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา ถ้าหากเร า, าอยู่บริเวณนี้คอยใต้ร่มเงาของหลงตาพวกเราก็มีความสุขมีความชุ่มเย็นอารมณ์เก่าๆตั้งแต่หลงตาท่านยังมีชีวิตอยู่ทําให้เราน้อมนึกระลึกขึ้นมาแล้วเราก็ได้กําลังจิตกําลังใจพร้อมที่จะตั้งใจเดินจงกรมพร้อมที่จะนัตั้งใจนั่งภาวนาน้อมนึกระลึกถึงองค์ของท่านเพื่ออานำความสุขความเจริญเข้าสู่หัวใจของเราอย่างน้อยๆก็ขอยถ้าเราได้รับความ ชุม่มในรับความเยน็นซึ่งเป็นอริยทรัพย์ภายในขอยมีติดจิดตจิตใจเหมือนอย่างเขาเขาแสวงหาได้เราก็ตั้งอกตั้งใจแสวงหาให้ได้เขาแสวงหาทรัพย์ภายนอกเราก็พยายามตั้งอกตั้งใจแสวงหาทรัพย์ภายนอกเขาตั้งใจแสวงหาทรัพย์ภายในเราก็พยายามตั้งอกตั้งใจแสวงหาทรัพย์ภายในเพราะเราหวังจะพยุงภพชาติของตัวเองอ เพราะภพชาติของเราของท่านถ้าหากเราไม่ให้โอกาสให้กับชีวิตจิตใจของเราเราก็จะหมุนอยู่อย่างนี้แหละไม่จบไม่สิน้นทําไมามันจึงไม่จบมันจึงไม่สิน้นเพราะว่าเชื้อชาติที่จะพาเราไปเกิดนั้นมันไม่จบมันไม่สิน้นเชื้อชาติคืออะไรความอยากในหัวใจของเรานี่ยแหละมันเป็นเชื้ อ, อมันเป็นเชื้อชาติเชื้อที่ทําให้เราไปเกิด เป็นยางเหนียวในใจของเร า, ราพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่ากรรมทั้งหลายที่เป็นกายกรรมที่เป็นวจีกรรมที่เป็นมนโนกรรมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเนื้อ น, นากรรมังเข็ดตัตงกรรมเนี่เป็นเนื้อ น, นาเป็นเหมือนเนื้อ น, นาอวิญญาณเปรียบเสมือนพืชวิญญาณวีชัง ตันห้าซีเน่โฮตันหาเป็นยางเหนียวในพืชตราบใดที่พืชเมล็ดนี้พืชมากนี้พืชผลนี้ยังมียางเหนียวอยู่พืชนั้นๆจะต้องไปเกิดใ น, นเมื่อไปได้อุณภูมิได้ความร้อนได้ความชุ่มเย็นได้ความอบอุ่นก็จะเริ่มแตกแตกเป็นต้นแทงเป็นกล้าเห็นไ้ย ที่เราไปกล้าไม้มันแทงออกขึ้นมาเนี่ยเรากล้าต้นมะขาอ่าเง ính, ี <meu> ้ยมันก็แทงขึ้นมามันแทงอะไรขึ้นมาก่อนมันแทงรากขึ้นมาก่อนถ้าใครเคยสังเกตจะเห็นว่าต้นมะข่าเนี่ยมันแทงรากขึ้นมาก่อนแทงขึ้นมาแล้วมันก็โค้งรองดินโค้งรองดินแล้วไปย่างรากนั่นคือมันมียอดอ่อนคําว่ายอดอ่อนก็คือยางเหนียวอยางเหนียวภายในภายในภายในกล้าของพืช มนุษย์เรายางเหนียวในใจของเราก็คือตัณหาตัณหาตัณหาี่เป็นยางเหนียวในใจของเรานะเราพูดอย่างนี้เราย้อนมาที่ใจของเราเราจะเห็นตัณหาถ้าหากเราไม่เคยย้อนมาที่ใจของเราเราเข้าข้างตัวเองทั้งหมดทั้งทั้งที่เราอยู่กับตัณหาจื่อเดินนั่งนอนเราอยู่กับกิเลสเราอยู่กับตัณหาตัณหาเป็นยางเหนียวในใจของเราเราจะต้องไปผุดไปเกิดที่นู่นที่นี่ก็เพราะเรามียางเหนียว มันไม่ต่างอะไรกับพืชผลไม้ที่มันมียางเหนียวที่มันจะต้องไปเจริญอีกการขยายพันธุ์การสืบพันธุ์ของพืชทั้งทั้งหลายทั้งปวงกับการขยายพันธุ์ของรูปร่างกายของเรากับการขยายพันธุ์ของจิตใจของเรามันมีลักษณะคล้ายคลึงกันมีลักษณะคล้ายคล้กันพืชทั้งหลายมันก็พยายามส่งภาวะความเป็นเผ่าพันธุ์ของมันเอาไว้ มนุษยชาติหรือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนกันพยายามสืบพันธุ์เผ่าพันอของมนุษย์เองเอาไว้จิตใจของเราสิ่งที่พาเราสืบพันธุ์ทางด้านจิตใจของเราก็คือตันหาเป็นยางเหนียวตันหาเป็นเนื้ออ่อนเท่ากับเป็นเนื้ออ่อนของพืชตันหาคือความอยากถ้าเรารู้ไปแล้วก็คือ จิตของเราเป็นธาตุรู้ธาตุรู้ของเราได้มีความแปลกนะธาตุรู้คือจิตของเราเนี่ยจิตของเราคือธาตุรู้เนี่ยเราใช้ประเด็นคําว่าธาตุรู้เราจะเข้าใจ <c oughs> เรามีธาตุรู้อยู่ด้วยกันคนละหนึ่งดวงคือใจหนึ่งดวงใจหนึ่งดวงของเรานี้เราได้มาตั้งแต่เมื่อไรเราก็ไม่ทราบได้มาเนิ่ดนานมากน้อยเท่าไหร่ไม่ใช่เราเพิ่งเกิดอันตภาพสองอันตภาพนะ เราหมุนเวียนมาในวัฏสงสารไม่รู้จกจบไม่มีที่จบไม่มีจุดจบเพราะผู้รู้นี้ไม่ดับไม่ตายไม่สลายแต่หากเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิไปตามพฤติกรรมของตัวเองจากกายะกรรมเอากรรมไปแสดงเอากายไปแสดงกิริยาของกายไปทำนั้นไปทำนี้เป็นกายะกรรมวายจาคำพูดแสดงออกมาก็เป็นวจีกรรมเกิดขึ้นจากความนึกคิดภายในใจที่จะเรียกว่ามโนกรรม กายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมนี้แหละมันจะพัฒนาด้วยตัวของตัวมันเองมาทุกระยะทุกเวลาเนิ่นนานเท่าไหร่เราทราบไม่ได้พวกเราทั้งหลายเรามีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์และมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาเสียอีกนะว่าวเราโชคดีมากวุณกุศลอนิสงค์คุณงามความดีเต่บเบื้องหลังทําให้เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนามีโอกาสได้ศึกษาธรรมได้ประพฤติทธรรมได้ปฏิบัติธรรม ได้เรียนรู้ถึงทุกข์ถึงสมุทยัยเหตุได้เกิดทุกข์ถึงในรอดคือความดับทุกขแล้วก็ถึงข้อปฏิบัติคือมัดคือความดับทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสนธรรมคําสอนที่พระองค์ทรงบอกทรงสอนเอาไว้ทรงชี้มาที่หัวใจของธรรมะที่เราจะไขเข้าไปสู่ธรรมะในหัวใจของเราของท่านก็จะต้องไขมาตรงนี้ เป็นเหตุให้เรามาเรียนรู้มาเข้าใจมารู้เรื่องหลักธรรมชาติเหล่านี้เราลองมาเทียบเคียงดูว่าสมมุติอย่างเรามีบุญไม่พอที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เราไปเกิดเป็นสัตว์ในไร่ฉานเนี่ยทำไมเราจะได้ยินเสียงฝาได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรำความนึกความคิดในใจของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นคิดนึกไปตามอํานาจของตันหามันพาดี ด, ดิ้นตามพลังของตันหา่าไม่มีรู้ว่าผิดว่าชอบว่าชั่ววันดี เราดูนิสัยของสัตว์กับเราดูนิสัยของคนนิสัยของสัตว์นั้นมันเอาความเก่งกล้าสามารถเป็นใหญ่เรามาคิดดูในวงครอบครัวในวงครอของเขาเองเช่นอย่างลูกสุนัขเนี่ยตัวไหนที่มันมีกําลังมากกว่าเพราะนั้นมันก็จะเบียดเบียนหมูมันก็จะคมเหงหมูอยู่นั้นแหละถึงแม้ว่าจะได้กินเต็มปาอยู่มันก็ยังเฮือใส่หมูอยู่นั้นแหล ะ, ะมันเป็นอยู่อย่างนั้นนะนี่ขึ้นชื่อว่าสัตว์ ถ้าหากเราใบบัติเป็นสัตว์เราไม่มีโอกาสได้รู้รู้จักจิตใจภาวะจิตของเราเองได้เลยว่าคืออะไรเป็นอะไรความอยากภายในจิตของเราเป็นยังไงเราไม่รู้จักเลยโอกาสที่ตัณหาภายในใจของเรามันพัฒนาไปไม่ยุดรู้จักจบไม่รู้จักสิน้นมันก็พัฒนาไปอยู่อย่างนั้นมีแต่เพิ่มพูนทวีคูณทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่ ง, ท, งทั้งนอน ท, ทําไมกิเลสคือความโลภความโกรธ ราคะตัณหาในหัวใจของเรามันถึงมันมันจะไม่เจริญมันจะไม่แน่นหนามันคงในหัวใจของเราโอกาสที่เราจะได้มาอบัตเป็นมนุษย์เพื่อที่จะมาส่องดูมาชมาลางสิ่งเหล่านี้มันเป็นโอกาสน้อยเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าการที่จะได้อบัตอบัตมาเป็นมนุษย์จึงเป็นการอบัตมาได้ยากเพราะฉะนั้นร้อยทั้งร้อยคนไม่มีศีลไม่มีธรรมโอกาสที่จะอบัตเป็นมนุษย์อุบัตได้ยากอย่างดีที่สุดไปอบัตเป็นสัตว์เดรัจฉาน ไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นอสุรกายที่จะเรียกว่าอบายภูมิอบายภูมิเนี่ยเปรตนรกอสุรกายสัตว์เดริชานอืมพวกเปรตท่านถือว่าเป็นพบภูมิที่ดีกว่าสัตว์เดริชานนะนะตามที่ได้ินได้ฟังได้ศึกษามาเปรตทั้งหลายเนี่ยเขายังมีพบภูมิที่ใกล้ชิดมากับการสร้างคุณงามความดีมากกว่าสัตว์เดริชานเพราะเสร็ ประเษดบางจำพวกเนี่ยเขาคอยรับอนมรนาส่วนบุญจากญาติที่ทําบุญอุทิศส่งไปให้ในเมื่อเขาได้มาสาธุอนมรนากับผลบุญที่ญาติทาบุญอุทิศส่งไปให้แล้วทําให้เขานี่เปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิขึ้นมาทันทีจากทุกยากไม่มีอยู่ไม่มีกินไม่มีนุไม่มีนุ่งไม่มีห่มพร้อมทั้งภูมิเหล่านั้นเป็นภูมิที่อยู่ทุกยากลําบากเขาจะเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิขึ้นมาทันทีนะจากอยู่ทุกยากลําบากเนี่ย เป็นเปตเนี่ยเป็นเปรตชนเ น, เนเี่ยเหมือนอย่างที่เราทำบุญอุทิศให้ยากของเราคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นท่านถือว่าผู้โลงรับไปแล้วไอเป็นเปตชนเมื่อเขามีมีโอกาสมาอนุโมทนาส่วนบุญกับที่เราอุทิศส่งไปให้แล้วเขาจะเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิเคยตกทุกข์กยากเขาก็พ้นทุกข์พ้นยากบางทีก็ไปเป็นเทวดาชั้นดาวดึงเลยเปลี่ยนพบภูมิขึ้นมาทันทีเปลี่ยนเครื่องทรงเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนอะไรเป็นวิมานอันกัททิปอันนี้กัททิปอันนี้กัททิปเตรียมไปหมด พบชาติของความเป็นเปรตท่านถือว่าตีกว่าสัตว์เดริชานสัตว์เดริชานถึงแม้ว่าจะอยู่เกิดมาพร้อมกับอยู่ร่วมกันกับโลกของมนุษย์โลกเราแล้วก็ตามแม้แต่สัตว์ที่ท่านว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเช่นอย่างแมวสุนัขเนี่ยแมวหมาพวกเราเนี่ยถึงระนาดก็ตามถึงแม้ว่าทางกฎหมายใช้ความสําคัญว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเราสามารถทําทุกขทำโทษกับคนที่ไปทรมานมันได้ ถึงก็น่าก็ตามมันก็แบกกองทุกอยู่เต็มแพร่อยู่นั้นแหละกองทุกอันนึงก็คือไม่รู้ผิดรู้ถูกรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีหาเกิดมาเพื่อสนองกรรมอยู่อย่างนั้นแหละแต่พอเราเกิดมาเป็นมนุษย์พพระพุทธศาสนามีโอกาสได้ยินได้ฟังได้ศึกษารู้ข้ออัดข้อธรรมยิ่งเรามาเกิดอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วเกิดอยู่ท่ามกลางปัจจุประเทศเลยแหละเลนี่ยตรงนี้ตรงบ้านตาดของเราเนี่ย เกิด อ, อยู่ท่ากลางปัจจิรูประเทศพระแม่คุยจาร์หลวงตาพระมหาบนะุญญาสัมปันโนท่านมาประกาศทำท่านมาเผยพแพร่บอกสอนรมอยู่ตรงนี้เป็นเวลาห้าสิบหกสิบปีเจ็ดสิบปีเนี่ยจะทําจะทำให้เรามีโอกาสมากมายขนาดนี้ถึงขนาดนี้ทำให้เราเป็นผู้ที่ รู้จักลืมตาอ้าปากถึงกระนั้นก็ตามบางคนยังไม่ลืมตาด้วยซ้าไปหลงตาท่านพยายามสอนเท่าไรก็ไม่ยอมลุกไม่ยอมตื่นลุกเท่าไหรก็ไม่ยอมตื่นปั้นเท่าไรก็ไม่ยอมติดเพราะอะไรเพราะขาดความสนใจแต่เราเสียโอกาสในเมื่อเราเกิดในปฏิรูปประเทศแล้วเราไม่สนใจเรื่องเหล่านี้ก็จะทําให้เราพลาดจากโอกาส โอกาสที่เราจะตั้งใจให้ทานรักษาศีลเราคึกทำปฏิบัติธรรมทึ้งท่านสอนท่านบอกทุกเช้าทุกค่ำทุกระยะเวลาที่เรามาเกี่ยวข้องกับวัดกับวากับครูบาอาจารย์อย่างที่เราเห็นว่าสถานีวิทยุน่ถึงแม้ว่าท่านจะล่วงลับไปแล้วก็ตามซึ่งเป็นมูลมรดกของลวงตาก็ยังมีอยู่ยังเปิดให้พเราได้ยินได้ฟังตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืน นอกจากหลงตาแล้วก็ยังมีครูบาอาจารย์องค์อื่นที่เป็นสายป่ามาเปิดให้พวกเราได้ยินได้ฟังนี่เราพูดถึงว่าโอกาสของพวกเราเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังเสียงอา่านเสียงธรรมเราพยายามฉกฉวยโอกาสอันนี้ให้เป็นคุณสมบัติของเราให้เรามีโอกาสได้ตั้งใจศึกษาได้ตั้งใจประพฤติได้ตั้งใจปฏิบัติท่านสอนให้ให้ให้ใหทานเราก็พยายามเสียสละให้ทานไป เราจะเห็นว่ายุคนี้เป็นยุคที่เราเสียสละตั้งโรงทานโรงงานปทายข้าวเอ่ยงานบุญบ้านตาทุกครั้งเ อ, อ่ยมันจะมีการตั้งโรงทานกันร0 0ยสองร้อยโรงส0 0โรงห้าอหโตั้งโรงทานเสียสละถ้าหากเราไม่ตั้งโรงทานเราไปให้คนน้นให้คนนี้ให้ mas, ไ, หไปเปล่าๆโดยที่เราไม่ได้มาจัดมาตั้งโรงทานน่ย ร, รู้สึกจะฟืดๆอยู่ แต่ถ้าหากเรามาเปิดรองทานปับ๊บโอ้ยเปิดคนมารับก็ไปเราแจกไม่อ ด, ไ ม, อ ด, ไ, มอดไม่อัดไม่อั้นเรามีความสุขอยู่กับการแจกทานเราจะเกิดความรู้สึกว่าเราได้บุญเรามีบุญทุกคนหวังทำที่พึ่งให้กับตัวเองทั้งนั้นแม้แต่ทานก็ถือว่าเป็นการทําที่พึ่งให้กับตัวเองอเราอยากขยับอยากทานมหาศีลเราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เพ้อพูดผิดในากาไม่พูดเท็จ ไม่ดื่มสุราไม่ไร่พยายามละพยายามงดพยายามเว้นตามองของศีลนั้นๆนี่มันเป็นการตะลอมมารักษากายกรรมของเราให้บริสุทธิ์รักษาวาจาคือไวจีกรรมของเราให้บริสุทธิ์กายกรรมของเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากตัณหา <c oughs> มันไม่ให้เอากายของเรา <c oughs> ไปทํา <c oughs> ไปทําชั่วช้าลามกฉะนันอย่าไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปพูดผิดในการไปพูดเท็จไปดื่มสุราไม่ไร ก็จะทําให้เรารู้จักสํารวมระมัดระวังไม่โอนอ่อนผ่อนคลายไปตามอํานาจของตันหาที่มันแสดงมันทะลักออกมาที่ปลายเหตุที่กายกรรมไว้จีกรรมอย่าลืมว่ากายกรรมของเราก่อนที่มันจะทลักมาที่กายกรรมมันก็หมุนอยู่ที่ใจพอหมุนอยู่ที่ใจตันหามันพาดิดพาดิดนึกคิดอยู่ที่ใจนึกนึกคิดคิดคิดนึกคิดปรุงเต็มที่มันทลักออกมาที่กายเอากายไปสนอง ไปฆ่าศัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประพฤติผิดในกามนี้ทะลักออกมาที่กายอะไรทะลักออกมาตันหามันผ่าทะลักออกมานึกนนึ ก, นกคิดวคิ ด, คดปรุงปรุงปุงทะลักออกมาที่วายจาอาวายจาไปพูดพูดเท็จพูดอย่าพูดซอเสียดพูดเพื่อเจะพูดแสวงหาผลประโยชน์ทําไงเราจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนู้นสิ่งนี้ไปทําให้คนอื่น ไปบิดไปเพลียไปบิดไปเบี้ยวไปนุ่นไปนี้เพื่อให้คนอื่นเสียประโยชน์ขอให้ตัวเองได้รับประโยชน์นี่คือกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจ่รักษาศีลเราก็พยายามปิดกั้นปลายเหตุตรงนี้จากกระแสของตัณหาได้การตั้งแย่รักษาศีลเพื่อกากับกายกรรมกากับวิจิกรรมของเราให้ดีถึงแม้ว่าจะเป็นการระงับดับปลายเหตุก็ตาม เราอาศัยเจตนาของเราเนี่ยมากํากับมาตั้งใจรักษาศินนะพอเราตั้งใจรักษาปับ๊บมันก็มีการต่อสู้กันเราเคยสะดวกสบายกับการฆ่าสัก mm hmm. พอเราถือสินปับ๊บเราต้องอดเราต้องงดเราต้องเวน้นลักท ร, รัพย์เงี้ยเคยมีมือสั้นมือยาวพอเราตั้งใจรักษาสินปับ๊บเราก็ถือวิรัติก็ถืองดเราก็ถือเวน้นต้องต่อสู้กันอ่ะบางทีต้องเขย่ายกันไปเขย่ากันมาเรื่องของผิดประเวณีเนี่ย ไม่ไม่ประพฤติประพฤติผิดในกรรมเขาว่าประพฤติผิดในกามคือสามีภรรยาประพฤติผิดคู่ครองของตัวเองท่านเรียกว่าประพฤติผิดประเวณีสิ่งเหล่านี้เป็นโทษถ้าหากเราล่องละเมิดหรือไม่เรามาตั้งใจสมาทานสินปาปเนี่ยเราเคยมีความนึกคิดสวกสบายง่ายกับสิ่งเหล่านั้นเราต้องอดเราต้องทนเราต้องกลั้นเราต้องยื้อแย่งกันไปต้องยื้อแย่งกันมาเรายุคสังคมปัจจุบันนี้มันเป็นยุคสังคมที่ คลุกคลีกันจะทําให้เราเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าหากใครระมัดระวังไว้ได้ก็จะหลวมตัวอยู่ร่าไปเดี๋ยวหลวมตัวอีกแล้วเดี๋ยวกหลวมตัวอีกแล้วเดี๋ยวหลวมตัวอีกแล้วสะสมอยู่อย่างนั้นแหละเพราะอะไรเพราะมันทนแรงกระซิบกระซาบของตัณหาในหัวใจมันในวัฏฏะออกมาที่กายมันวัะออกมาที่วาจาเอาวาจาาไว้พูดพูดยังไงจะได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนอกจากนั้นแล้วก็ไปติดสิ่งมึนเมาเนี่ยถ้าเรา สิ่งมึนเมาสุรายาดองยาหมักอย่างนี้เป็นต้นพอเราใส่เข้าปากไปแล้วมันก็ทําให้เราเมาพอเมาไปแล้วขาดสติเรากินไม่ไม่ให้มันเมาไม่ให้มันขาดสติได้ไหมเราเชาวพุทธเรารู้แก่ใจเราใส่ปากปับ๊บศินข้อหขาดทันทีสินขาดถ้าเรากินจนเมาก็ทําให้เราขาดสติ อย่าลืมว่าถ้าเราขาดสติแล้วสินข้อหนึ่งเราก็ขาดง่ายข้อสองข้อสข้อ4ี่เราก็ขาดง่ายเพราะอะไรเพราะไม่มีสติคนไม่มีสติคือคนไม่มีความรู้สึกยับยั้งชั่งตัวอะไรในตัวเองแหละบางทีไม่ได้มีความเจตนาอะไรโดยความชอบทําอะไรโด ว, ว่าจะมันกระซิบก็ทราบแล้วก็ไปตามอํานาจที่มันกระซิบกระซาบหันไว้ใจของเรา เพราะฉะนั้นถ้าใครมาคนนั้นจะมีโอกาส ท, ที่จะปิดศินข้อหนึ่งก็ง่ายข้อ2ข้อสอข้อ4ก็ผิดง่ายถ้าเราติดเรื่องเล่าอย่างเดียวอย่างอื่นจะพลอยเสียหายไปหมดจะพลอยเสียหายไปหมดนี่แค่เราตั้งใจรักษาศินเนี่ยเรามาสงบระงับดับปลายเหตุของตันหามันก็ทําให้เรามีผลเมียในสงท่านบอกว่าให้ทานรอยครั้งสู้ตั้งใจรักษาศิลวิรัติวดเว้นด้วยอํานาจของสินครั้งเดียวไม่ได้ ตามอันนี้สอ์ที่ท่านพูดเอาไว้น ะ, ะพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะน้อยใจเอออะไรให้ท่านทั้งร้อยครั้งสูตตั้งใจรักษาสินครั้งเดียวไม่ได้เพราะมันได้ต่อก่อนกันเห็นไหมเคยฆ่าสัตว์เคยรัยกทรัพย์เคยประพฤติผิดในการมแต่ถ้าหากเราละได้งดได้วิรัตงดเว้นได้เราจะพ้นจากไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการม พ, พ้นจากความประพฤติผิดในกรรมพ้นจากพูด เท็ดพูดยาพูดส่อเสียดพูดเพือเจอทั้งหลายทั้งพวงเหล่านี้นำทุกนำโทษนำเวรนำภัยมาให้กับเราพอเราโล่งเราเมิดปับ๊บสินเราขาดสินเราขาดและยังไม่พอนะเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมพอเรื่องของศินนั้นมันเป็นทั้งศินมันเป็นทั้งธรรมเราจะระมัดเราจําเป็นจะต้องระมัดระวังถ้าเราต้องระมัดระวังไปปับ๊บเราได้ศินเราก็ได้ทั้งธรรมมาด้วย นอกจากนั้นแล้วท่านให้เจริญเมตตาเป็นพิเศษไม่ฆ่าสัตว์นอกจากไม่ฆ่าสัตว์แล้วท่านให้เจริญเมตตาจนจิตใจของเราอ่อนนิ่มเห็นคุณค่าของชีวิตของเราเห็นคุณค่าของชีวิตของเขานี่รักทรัพย์เนี่ยเรารักของเขาเขาก็จะรักของเราเราฆ่าเขาเขาจะฆ่าเราเราผิดลูกผิดผัวเขาเมียเขาเขาก็จะผิดลูกผิดผัวผิดเมียเราเราพูดโกหกเขา เขาก็จะต้องมาโกหกเราอันนี้คือกรรมที่มันจะต้องตอบมันจะต้องสนองแท้ที่จริงเราดื่มดื่มดื่มเหล้าทําให้เรามึนเมานั่นแหละมันเป็นการกดทวงตัวเองสร้างกรรมให้ทับถมชีวิตจิตใจของตัวเองบางคนยอมตายตายชังมันตายช่งมันเวลามันติดมันก็ซิบก็ะซาาขึ้นมาแหละตายช่างมันตายช่งมันเป็นตับแข็งช่งมันตายช่งมันไม่กี่วันไปแล้วได้ยินเคยได้ยินมาแล้ว ไม่กี่วันไปแล้วไปจริงๆเขายอมตายแลกกับสิ่งที่เขาติดนั้นนี่คือใจใจของคนที่มัน อ, นอ่อนแออ่อนแอถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นนะนี่เพราะฉะนั้นเราวิราตเรางดเว้นได้เนี่ยจะทําให้ศีลของเราเนี่ยบริสุทธิ์จะทําให้กรรมกายกรรมวัฏจีกรรมของเราบริสุทธิ์อ่ามันดิดดิน้นตัณหามันดิ ด, ดิ้นทะลักออกมาที่กายไม่ได้ที่วายจาไม่ได้มันก็ทะลักอยู่ที่ใจโดดดิ้นอยู่ที่ใจ ใจมันนึกมันคิดอย่าลืมว่าใจของเราของท่านน่ยนึกคิดเรื่องผิดศินข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสข้อหนึกคิดเท่าไหร่ถ้าเราไม่เอากายมาสนองไม่เอาวายจามาสนองศินสินเราจะไม่ขาดนะแต่ทำเราขาดนะทำเราขาดท่านจึงให้สัมรวมระ ม, ร ม, ร ม, ร ม, รมดัดระวังทํำไมเราจะสัมรวมระมัดระวังได้เราก็สัมรวมระมัดระวังแบบอย่างตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราเนี่ยแหละให้เจริญสมถะให้เจริญวิปัสนา ตันหามันดิด้นอยู่ในใจนึกอะไรนึกรักนึกชังนึกโกรดนึกเกลียดนึกอิจฉาดิษยานึกพยาบาทนี่มันเป็นเรื่องของสมุทยัยมันยุแย่หัวใจของเราให้ดีถ้ดยิ่งอยู่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อย่าลืมว่าพลังทั้งหมดนี่คือพลังของอะไรพลังของตันหามันกระขับเคลื่อนออกมาจิตของเราไม่เคยอยู่เท่าเดิมไม่เคยไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่อยู่กับที่เดิมจิต ภาวะของจิตธรรมชาติของจิตต้องปรุงต้องนึกต้องคิดความนึกความคิดเหล่านี้น่ยมันจะเปลี่ยนเป็นขณะขณะ น, นี้คิดนี้คิดคิดมันจะปรุงไปอีกเรื่องนั้นปรุงไปเรื่องนั้นแล้วปรุงไปเรื่องนั้นแล้วปรุงไปเรื่องนี้ที่จะเรียกว่าสังขารจิตสังขารจิตปรุงไปแต่ละอย่างมันไปตามแนวโน้มการกระสิบกระซาบของตัณหาในหัวใจของเราในเมื่อเราปรุงปับ๊บตัณหาสวมรอยปับ๊บ มันจับเรื่องรักมันก็รักรัก ร, ก ร, กรกคิดถึงแต่เรื่องรักว่ามโนภาพเป็นนูน้นเป็นนี้เป็นนี้เป็นนั้นจนข้างในเน่าเฟะมาแล้วถึงทลักออกมาข้างนอกเออเอากายมาสนองแล้วอาวัยจามาสนองแล้วนี่เรื่องตัณหารมดีเดี่ยอยู่ในหัวใจของเราท่านจึงให้เอาธรรมะไปกำกับสงบระงับดับตัณหาข้างในเราเจริญสมถให้ใจของเราได้รับความสงบ ใจเราสงบเพราะตัณหาสงบตัณหาสงบใจเราจึงสงบใจเราไม่สงบเพราะตัณหาภายในใจของเรามันพาดีดพาดิ้นเพราะอาจินกรรมของมันมันมีอยู่ในใจของเราตัณหาในใจของเรานะ่ใครเอามาใส่ให้เราไม่มีเราสร้างเราทำขึ้นมาเองเหมือนอย่างความโลภกิเลสกองความโลภมันเกิดขึ้นในหัว ใ, ใจของเรามันเกิดขึ้นได้ยังไงกิเลสความโกรธน่ะ กองกิเลสคือความโกรธมันเกิดขึ้นในหัวใจของเรามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันแก่ตัวสังสมมาจนเป็นอนุใสนอนเนื่องอยู่ในหัวใจของเรามันสะสมมากี่กับการกี่บุระชาเราทราบไม่ได้ดอกเพราะอะไรเพราะวิสัยของผู้รู้ของเราเนี่ยออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยงทางกายแล้วก็น้อมนึกภายในใจนะสิ่งที่ดีอารมณ์ที่ดีมันก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามาอารมณ์ที่ไม่ดีมันขัด มันกลักออกไปผลักออกไปผลักออกไปจริตนิสัยม้อยใจของเราของท่านเหมือนกันหมดเราเคยตั้งข้อสังเกตไหมทําไมมันจึงเป็นสิ่งที่ดูไปแล้วเหมือนกับถูกจริตถูกจิตถูกใจมันก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามามีจิตใจดิ้นรนขวนขวายแสวงหาเพื่อจะได้สิ่งเหล่านั้นเพื่อจะได้สิ่งเหล่านั้นนี่เป็นเหตุให้เราได้ความโลภปีนี้ภพนี้เราก็สังสมภพหน้าเราก็สังสมและก็กี่กับกันกี่บริชาติมาแล้ว นับเป็นกับกับนับเป็นสังวตกับนับเป็นวิวัตกับนับเป็นสังวตวิวัตกับคือระยะเวลาที่โน่นนานมากเราเกิดมาถ้าหากเราเอาพระไถยของพระพุทธเจ้ามาเทียบกับพวกเราพระองค์บรรลุปุพเพนิวาสสะสารสติญาณระลึกถึงภกชาติของพระองค์ไม่มีจุดจบไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นสุดนะ่ะโอ้ยนานเป็นกับกับเป็นสังวตกับเป็นวิวัตกับเราลึกถอยหลังไปเท่าไหรไม่มีจุดจบไม่มีที่จบ ไม่ใช่อัตภาพเรามาเพิ่งเคยเกิดมาเพิ่งเกิดเพิ่งเป็นมานี้เพราะฉะนั้นกิริยาเหล่านี้จึงสะสมมาจนเป็นกิเลสกองหนึ่งกองหนึ่งแต่และกองแต่และกองเกิดเกิดในหัวใจของเราเมื่อเราต้องการจะแก้เราจึงแก้ได้ยากมาวิธีแก้นี่แหละเพราะพระพุทธเจ้าได้อบัติมาแล้วพระองค์ทรงวางหลักเอาไว้ทุกสมุทัยนิรโรธมัดสมุทัยเป็นเหตุนําทุกขน้ำทุกข์มาให้กับเรา เราเกิดเป็นคนเราเกิดเป็นสัตว์ระวนเวียนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นอะไรแต่ถ้าเรายังสร้างคุณงามความดีอยู่แค่นั้นเราไม่ไม่ไม่ตั้งอกตั้งใจชำระจิตก็ราให้บริสุทธิ์เราก็ o, ยังมียางเหนียวอยู่นั่นแหละจิตของเราไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เพราะเรามียางเหนียวอยู่ในนั้นคำว่ายางเหนียวก็คือเยื่อใยแห่งความอยากในใจของเรานี่เองคือตัณหาดูไปที่ความอยากในใจของเรานะ เรานั่งฟังนี้ถ้าหากเราย้อนไปดูเราจะเห็นความอยากมันแสดงกิริยาความอยากมาทุกอย่างแต่ถ้าอยากเพื่อมรักอันนี้คือแนวปฏิบัติคือข้อปฏิบัติอยากเรียมรักมีองแปดเนี้ยเราอยากให้ทานเราอยากรักษาศีลเราอยากเจริญส ม, มถะเราอยากเจริญวิปัสสนาอย่างนี้ท่านถือว่าเป็นมรความอยากอันนี้ท่านให้เราส่งเสริมจนมีแต่มรักเกิดขึ้นในหัวใจของเราความอยากเป็นเรื่องของสมุทยัย มันจะค่อ ย, อยๆยุบย่อไปหายไปทําไมเราจะทําสิ่งเหล่านี้จะยึดสิ่งเหล่านี้ให้มันกากับอยู่ที่จิตของเราทุกระยะทุกเวลาได้ท่านจึงให้เราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธสงบระงับดับสาเหตุที่ที่พานึกพาคิดพาดีดพาดิ้นเพราะอะไรเพราะมันนึกมันคิดมันดีดมันดิ้นขึ้นมาแล้วความอยากมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัส สารพัด ท, ที่มันจะแทรกเข้ามาในหัวใจของเราทำให้เราต้องดิ้นรนขวนขวายตามมันเราตั้งใจทำมาหากินตั้งใจสวยหาคุณงามความดีตั้งใจสวยหาความสุขความเจริญถ้าหากเราไม่ระวังเรื่องเหตุที่เราไปสร้างไปทำแล้วร้อยทั้งร้อยเราจะหลงกลของอานาจของตัหาะมันก็ะซิบระซาบบอกให้เราจับบอกให้เราสร้างบอกให้เราทาสิ่งน้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้น แต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาในแง่ธรรมสักหน่อยหนึ่งเราจะรู้เรื่องอ๋อนอยากเพื่ออะไรอยากเพื่อสมุ ท, ทยัยโอระยากเพื่อรักระยาเพื่อชังยาเพื่อโกรธยาเพื่อเกลียดยากเพื่ออิจฉาริสยาพยาบาทยากเพื่อแข่งดิบแข่งดีสารพัดความอยากทั้งนี้เป็นสมุทัยให้เราจําเอาไว้โอ้ดีอยากเพื่อสมุ ท, ทยัยเราต้องพยายามละนะตราบใดที่สมุทัยมันแทรกเข้ามาหัวใจของนักปฏิบัติตอนนั้นแสดงว่า มัดมันตกไปจากใจแล้วธรรมะมันตกไปจากใจแล้วกิเลสมันถึงโผล่ขึ้นมากิเลศกับตัณหามันอันเดียวกันตัณหานี่แหละมันจะพาจิตของเราเดี๋ดิ้นนึกเรื่องนั้นรักเรื่องนี้ชังเรื่องนั้นจนเป็นเหตุให้ใจของเราเนี่ยเศร้าหมองความเศร้าหมองของใจท่านใช้สัพท์อีกอันหนึ่งว่ากิเลสกิเลสสภาพที่ทําให้ใจเราเราเศร้าหมองอะไรทําให้เศร้าหมองก็ตัณหานี่แหละมันพาให้เศร้าหมอง เราไม่รู้เราไม่เข้าใจนะกิเลสตัณหาอาวิชชาอุปาทานภพชาตทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นหนอเนื้อเชื่อสายแขนงเดียวกันทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่พาเรายึดติดเหนียวแน่นเกาะอยู่ในภพในชาติอย่างไม่มีจุดจบอย่างไม่มีที่จบอย่าลืมว่าภพชาติเรานี่จะพัฒนาไปยาวเท่าไหร่จะพัฒนาไปมากเท่าไหร่ก็คือพัฒนาไปกับความทุกพัฒนาไปกับกองทุก ความทุกข์ของเรายาวไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเพราะฉะนั้นท่านยิงว่าใครไม่เข้าใจเรื่องอริยสัจ ท, ทั้ง4ี่ไม่มีการขวนขวายเพื่อจะรู้เหตุสมุทยัยที่จะเป็นสิ่งให้ผูกมัดเราไว้ใ น, นวัฏฏสงสาราพบชาติของคนคนนั้นยาวไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเลยลุงตาท่านเปรียบว่าเหมือนมดแดงไต่ขอบกระดองมันยาวยังไงมันยาวเหมือนขอบกระดองกลมๆนั่นแหละ <Jub ilee> มันไม่มีจุดจบมันไม่มีที่เริ่มต้นมันไม่มีที่สิ้นสุดอืเปรียบ <ifs S 2> เทียบกับขอบกระด้งขอบกระ ด, ông, ระดง้งมันวิ่งทั้งวันมันก็ไม่จบมันไม่มีทีท่สิ้นสุดวัฏสงสารกับเราก็เช่นเดียวกันอาศัยว่ากรรมมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงโอ้เกิดอัตภาพนี้ทํากรรมดีมากทํากรรมดีมากกับเปลี่ยนจากภพชาติที่ต่ําๆไปเป็นภพชาติที่หยาบไปเป็นภพชาติที่ละเอียดจากภพชาติที่ต่ําไปภพชาติภพชาติที่สูงขึ้น ละเอียดขึ้นประนีตขึ้นเรื่องภพชาติของเรานี่มันสําคัญอยู่นะเช่นอย่างสมมติว่าสมมติชาติที่แล้วมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยแต่ด้วยบุญด้วยกรรมส่งเสริมมาให้เราได้มาบัตรเป็นมนุษย์ได้มาบัตรเป็นมนุษย์มันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตจิตใจไปตามภาวะของภพชาติของความเป็นมนุษย์การไปเป็นสัตว์นั้นมันทําให้เราพัฒนาชีวิตไปได้ช้ามากเรามาดูที่สัตว์สัตว์อ่ะ ทําทไมเขาจะมีบุญได้สร้างคุณงามความดีโอกาสที่จะมีมีบุญได้สร้างโอกาสสร้างคุณงามความดีนั้นมีน้อยเพราะการปฏิบัติเป็นสัตว์นั้นมันไปเกิดในภพชาติที่ไปเสวยกรรมไปเสวยกรรมสมมติอย่างมันเปลี่ยนภพภูมิจากสัตว์มาเป็นมนุษย์ปับ๊บชีวิตจิตใ จ, จของเราก็จะเปลี่ยนจากความเป็นสัตว์มาเป็นมนุษย์การพัฒนาไปตามแบบตามแนวตามแถวของมนุษย์มนุษย์ดีที่สําคัญที่สุดก็คือมันสมองของมนุษย์สามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว พัฒนาไปได้ดีได้ดีไปพัฒนาไปศึกษาเรียนรู้เข้าใจไปได้อย่างรวดเร็วพัฒนาจากหยาบยาไปถึงละเอียดสุดละเอียดสูงสุดก็สามารถพัฒนาได้หรือถ้าเราไม่พัฒนาตามอำนาจของเขาทำเราพัฒนาไปตามอำนาจของกรเลดจากสูงสูงนี่แหละไปจนต่ำสุดไปจนต่ำสุดๆดก็ยังสามารถพัฒนาได้แล้วแต่เราจะมาดัดแปลงจิตใจของเราให้เป็นไปตามนั้นต้องการพัฒนาจิตของเราไปให้ถึงที่สุด สูงสุดก็สามารถพัฒนาไปได้จะพัฒนาไปให้เลว็วต่ำ ส, สุดก็สามารถพัฒนาได้นี่เราตั้งเกีจํานมงขึ้นมาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจศึกษ า, าเพื่อรู้เพื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นโอกาสทำให้เราเรียนรู้ได้สามารถเปลี่ยนจากหัวใจที่เคยเป็นสัตว์มาเป็นมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนความรู้ความฉลาดาพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาไปทั้งนี้มันมีอยู่สองหน้าหน้าหนึ่งก็คือพัฒนาไปเพื่อมิจฉาทิฐิกิเลสทั้งหลายทั้งปวงพัฒนาจิตใจของเราไปในทางที่เป็นมิจฉาทิฐิทำให้เรายึดผิดถือผิดเข้าใจผิดสำคัญผิดมากมายมหาศาลจนเป็นเหตุให้เรายึดเป็นเหตุให้เราเกาะไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบแต่ถ้าหากเราพัฒนามาเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาทิฐิ เรื่องของธรรมะทั้งหลายทั้งปวง 80,000 พันธรรมขันเนี่ยท่าพยายามพัฒนาให้เราหันกลับมาเพื่อเป็นสัมมาทิฐิจิตของเรานั้นลำบากอยู่ที่การกลับจากสัมมาทิฐิมาเป็นมิจฉาทิฏฐิยากลําบากจากการกลับจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฐิแท้ที่จริงถ้าหากาถึงการถึงคราวถึงโอกาสที่เหมาะที่พอที่ควรโอกาสที่จะพลิกใจนะั้พลิกได้ง่าย ทำไมเขาจึงหลอกให้เราเชื่อเชื่อเชื่อเชื่อถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาพูดเขาบอกเขาหลอกให้เราทำนั้นจะไม่มีสัจจะจะไม่มีข้อเท็จจริงให้เราพิสูจน์ได้แต่ด้วยเหตุที่เราเชื่ออย่างเดียวทำไมจึงทำให้เราสามารถพัฒนาไปอย่างที่เราปักใจเชื่ออยู่ได้้ดยเหตุที่กิเลสทั้งหลายมันกระิบกระซาบในหัวใจของเราจึงเปลี่ยนแปลงความนึกคิดเขาไรา้เป็นไปทางมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิคือนึก พิษนึกผิดคิดผิดสําคัญผิดความสําคัญมั่นหมายเอาผิดในเมื่อมันสําคัญผิดมันก็พายึดผิดมันก็พาถือผิดแล้วก็พาทำผิดแล้วก็ผลรายได้ที่แทนที่จะเป็นเรื่องของธรรมมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดกลายเป็นมิจฉาทิฐิการกลับการที่จะกลับจากมิจฉาทิฐิมาเป็นสัมมาทิฐิได้เต็มรอยได้ก็ต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างอริยมรรคมีองค์แดเนี่ยสัมมาทิฐิเห็นชอบ ท่านบอกว่าเห็นอะไรเห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบในทีนี้หมายความว่าเห็นเห็นอริยสัจทั้ง4ี่นเห็นอริยสัจทั้ง4ท่านจึงจะเชื่อว่าเห็นชอบจึงจะเชื่อว่าเห็นชอบเห็นตามหลักอริยสัจทั้ง4ทําไมเราจะรู้จะเห็นตามหลักอริยสัจทั้ง4ได้ถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นการได้ยินได้ฟังถึงแม้ว่า ขั้นแรกจะเป็นสุตตะก็ตามมันก็เป็นเหตุเพื่อจินตะกินตะคือเอามานึกมาคิดมาใคร่มาครวนการมานึษมาคิดมาใคร่ม า, มาครวนก็ตามเหมือนอย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังนี่แหละก็จะเป็นเหตุให้เรามีโอกาสได้มาภาวนาให้ข้อเท็จจริงมันปรากฏที่หัวใจของเราที่เรียกว่าสุตตะจินตะภาวนาคําว่าภาวนาพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกทดสอบแล้วทดสอบอีกจนเห็นประจกักษ์ชัดเจนแจ่มแจ้งในหัวใจของเราที่เรียกว่า ปัญญาปัญญาจากปัญญาพื้นพื้นพัฒนาไปจนถึงขั้นปัญญายาคาว่าปัญญายาเนนะคือผลปรากฏที่มันโผล่ขึ้นมาเองในหัวใจของเราเราพัฒนามาอย่างนี้ถึงจะเป็นเหตุให้เรากลับจากมิจฉาทิฐิมาเป็นสัมมาทิฐิได้เต็มรอยเห็นทุกเห็นสมุทยัยเห็นอิโรธเห็นมรรคถ้าเราไม่เห็นเราจะเอ า, เอาอะไรมาเป็นข้อปฏิบัติต่างเรื่องของทุกมันก็มีที่มา ทั้งเรื่องของนิโรธมันก็ต้องมีที่มาเรื่องอริยสัจทั้งสี่นั้นถ้าเราจะสรุปก็มีแค่สองอย่างคือเหตุกับผลเท่านั้นเองมันมีเหตุสองเหตุแล้วก็มีผลสองผลนะในหลักของอริยสัจทั้งสี่พระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้มาอบัติเนี่ยทุกข์กับสมุทยัยเขาก็มีมีอยู่ประจาโลกนิโรธกบมะยังไม่ปรากฏ ในโลกท้งมรไม่ปรากฏเพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาเปิดมาบอกมาสอนพวกเราไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ทุกข์กับสมุทัยมีพันหัวใจของเราอยู่ทุกระยะทุกเวลาเนี่เรามีโอกาสมาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เราจะรู้ว่าอันนี้เป็นข้อที่ควรละควรงดควรเวน้นคือเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็เหตุเพื่อความดับทุกข์ที่เรียกว่ามรมรรคเหตุเพื่อความดับทุกข์นับตั้งแต่สัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบ เห็นชอบก็เห็นหลักอริยสัจทั้งสีนี่แหละสมมาสังกปะดําริชอบคือดําริออกจากกามตันหากามตันหาวิภวะตันหาวิภวะตันหามันก็ไปจากเรื่องของกามเนี่ยไปจากเรื่องของตันหาตันหาแปลว่าความอยากเรามาสรุปสั้นๆเพื่อให้เป็นข้อปฏิบัติได้เลยความอยากเพื่อโลภเพื่อโกรธเพื่ออิจาริษสียเพื่อตันหาราคะเพื่อพยาบาทเหล่านี้ เป็นความอยากเพื่อสมุทัยนําทุกข์นําโทษมาให้กับหัวใจของเราเราจะต้องสร้างความอยากอีกอย่างหนึ่งที่จะเรียกว่าอยากตามอํานาจของมรรคอ่ะอยากตามอํานาจของมรรคให้ทานอยากให้ทานอยากรักษาศีลอยากเจริญสมาธิอยากปฏิบัติสมถะวิปัสสนาอยากได้อัดได้ทำอยากได้มรรคได้ผลอยากพ้นทุกข์พ้นโทษในวัดสะสมสารความอยากแบบนี้ท่านว่าเป็นมรรคเป็นมรรค มันเป็นเหตุเพื่อสงบระงับดับความทุกข์เหตุอันหนึ่งสร้างทุกข์เหตุอันหนึ่งเพื่อสงบระงับดับความทุกข์นี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาคืออริยสัจทั้ง4ีอ่ะอริยสัจทั้ง4นี่แหละเราฟังเทศหลวงตาท่านพูดบ่อยครั้งนี่แหละเป็นหัวใจที่จะพลิกผันหัวใจของเราจากผู้ทชนมาเป็นอริยชนได้เพราะฉะนั้นใครเข้าไปรู้เข้าไปเห็นจึงว่าเป็นเริ่มจะเป็นเรื่องประเสรศิฐทุกขังอริยสัจจัง ทำไมความสุขความทุกข์จึงเป็นเรื่องประเสริฐเพราะเราเคยเห็นทุกข์เหล่านี้แล้วเราจะเห็นทุกข์เห็นโทษอย่าลืมว่ากามทั้งหลายทั้งปวงที่เรามาเกี่ยวข้องผูกพันนั้นนะ ถ, ถ้าตราบใดที่เรายังไม่เห็นทุกข์<ๆ>เห็นโทษของกามนั้นนะเราจะผัวพันหัวใจของเราจะผัวพันอยู่ในกามนั่นแหละเรามาพูดถึงคนที่จะออกบวชถ้าหากไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโทษของกามเราจะออกบวชไม่ไดไ้จะออกบวชไม่ได้เราฟังดูธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงทานกถาศีละกระา สักขกถาคือสวรรค์บนสวรรค์นั้นนะ่ะมันเป็นแดนสวยกามสุขเต็มแปร่ยอยู่บนสวรรค์นั่นนะจากนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงอีกอาทีนวัคขาโทษของสวรรค์นอกจากโทษของสวรรค์แล้วทรงแสดงถึงอานิสงค์ของการออกจากกามโทษของสวรรค์ก็คือกามนั่นแหละกามมันเป็นอารมณ์ที่เราจะต้องไปสวยแพร่ยอยู่บนสวรรค์แต่มันก็เป็นเรื่องดีถ้าเผื่อในวัฏจัสงสารเราไปยังไม่สิ้นสุด เราได้ไปพักอยู่ในพบชาติของความเป็นสวรรค์นั่นแหะก็ถือว่าเป็นที่พักริมทางที่เยี่ยมที่สุดแหละดีกว่าเราไปพักริมทางที่ถ้าจะเปลี่ยนก็นเหมือนต้นไม้กับต้นไม้มีแต่ต้นล้อนๆอแล้วก็ต้นตายซะอีกเงาบางเงาร่มอะไรจะบังก็ไม่มีแต่ถ้าร่มไม้ที่มีใบดกอกมีพุ่มงามบังได้รับความชุ่มเย็นนอกจากนั้นแหละมีหมากมีดอกสุกหอมกุ่มอยุ่เต็มต้น ถ้าเจอถ้าเจอแบบนั้นก็เราก็ถือว่าเป็นที่พักริมทางที่น่าสะดวกสบายที่สุดสวรรค์ก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านพยายามตีที่จะให้เราออกจากกามท่านบอกว่าสวรรค์ น, นั้นก็ยังเป็นโทษอยู่อาทีนวัคถาท่านพูดถึงอานิสงส์ของการออกจากกามเนคขมะนิสังสกถาเนคขมานิสังสกถาเนคขมานิสังสกถาอานิสงส์ของการออกจากกาม เราจะเอาอะไรมาออกจากกามเราเป็นคราวญอยู่บ้านอยู่ช่องเราจะเอาอะไรมาออกมาออกจากกามในเมื่อเรามีครอบครัวมีผัวมีเมีย ม, มีลูกแล้วก็ต้องทำมาหากินกันอยู่อย่างนี้จะทำให้เราออกจากกามได้อย่างไรท่านจึงว่าทำใจให้สงบรนับใดใจของเราเริ่มสงบใจของเราก็จะเริ่มห่างออกจากกามใจสงบนี้เราเราไม่ต้องออกบวชเราก็สามารถตั้งใจบำเพ็ญให้ใจได้รับความสงบได้ แม้แต่ผู้ที่ออกบวชมาแล้วถ้าหากไม่สามารถทําใจให้ได้รับความสงบได้ใจก็ยังชุ่มแปร่ะปะด้วยกามพระพุทธเจ้าท่านทรงเทศเปรียบเทียบเอาไว้ว่าก่อนหน้าที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ภายในไม่กี่วันเนี่ยทำให้อุปมาเหล่านี้โผล่ขึ้นมาให้พระองค์พระองค์ได้รับทราบและเป็นคติตัวอย่างอา่านบอกท่านท่านพูดพรรณนาเป็นข้อเปรียบเทียบว่าผู้ที่จะออกา ก, กาม ผู้ที่จะพ้นทุกพ้นโทษไปได้นั้นจะต้องออกจากกามาเราตั้งใจจะออกทำรมถึงจะออกจากกามได้เราอยู่บ้านครองเรือนเนี่ยเราอยู่บ้านครองเรือนเรายังครองกามอยู่ยังชุ่มแพรกไปด้วยกามอยู่เปรียบซึ่งเปรียบเสมือนไม้สดชุ่มด้วยยางด้วยแล้วก็ยังแช่อยู่ในน้ำอีกห ม, หมายความว่าเรามีมีสามีภรรยามีลกูกมีเต้าแล้วเราก็ยังมีการบริภคกามอีก อยู่เนืองๆอยู่อย่างนั้นไม้สดด้วยชุ่มด้วยยางด้วยยังถูกแช่อยู่ในน้าอีกอ่าบุรุษต้องการให้เกิดเป็นไฟอามาสีกันเน็เหนื่อยเปล่าท่านว่าเน็ดเหนื่อยเปล่าเพราะกายยังไม่ออกจากกามอ่ากายยังไม่ออกจากกามจิตยังไม่ออกจากกามเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางแล้วก็ถูกแช่อยู่ในน้าอีกอ่าไม้สดชุ่มด้วยยางแม้แต่ไม่แช่อยู่ในน้ำ ก็ยังมันไม่เป็นวิสัยที่จะามาเสียเกิดเป็นไฟขึ้นมาได้รุ่ดที่ยังไม่ออกจากกามมีกายยังไม่ออกจากกามมีจิตยังไม่ออกจากกามถึงแม้ว่าจะเอากายออกจากกามแล้วแต่จิตยังไม่ออกจากกามจิตเป็นเรื่องสำคัญอย่าลืมว่าจิตของเราดวงเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราถ้าเราไม่มีจิตแพ้แม้เพียงหนึ่งดวงก็เหมือนวัตถุที่อยู่รอบข้างตัวเราจิตของเราจึงเป็นเรื่องสาคัญ เราไม่ออกจากกามเราอยู่บ้านครองเรือนนี่แหละเราพยายามเผาหนาให้ใจได้รับความสงบเมื่อใจเริ่มสงบใจก็จะเริ่มห่างออกจากกามใจจะเริ่มห่างออกจากกามเพราะฉะนั้นผู้ที่จะตั้งใจปฏิบัติให้เป็นไปในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงได้ไดนั้นจะเริ่มไปตั้งแต่ความสงบเพราะพูดอย่างที่เราเห็นคุณค่าของความสงบใจของเราสงบจะเริ่มว่าสงบจากอะไรสงบสงัดจากกาม เราภาวนามาแล้วใจของเราอยู่กับอารมณ์อารมณ์คือพุโทโธพุโทโธพุทโธมันไม่พ า, า, ามันไม่พาจิตเรานึกคิดถึงรักเรื่องเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องตัณหาราคะมันไม่พาเรานึกเราคิดเพราะเราเอาทำมากำกับจิตของเราให้สติให้สัมผััญญากำกับจิต ด, ดูแลจิตให้ตื่นโรอยู่ไม่ให้ตัณหามันแทรกเข้ามาที่ ห, หัวใจของเราถ้าหากตราบใดที่เราปรุงจิตของเราให้มีความระลึกรู้สึก พี่จพร้อมอยู่ทุกระยะทุกเวลาเนี่ยจิตของเราจะเด่นรอนะจิตของเราจะเด่นจิตของเราเด่นรอคือชัดที่สุดจิตในขณะที่เด่นรออยู่นั้นนะจิตจะชัดที่สุดอารมณ์ที่ชัดที่สุดจะเกิดขึ้นในขณะที่จิตตรงนั้นชัดที่สุดอารมณ์เหล่าอื่นจะมาแทรกไม่ได้แต่ถ้าหาเราปล่อยสิ่งเหล่านี้เราปล่อยอารมณ์เหล่านี้ให้เบาเข้าไปบางก็ไปจางเข้าไปอารมณ์ของกิเลสตัณหามันดใดช่องใดถามมันก็สวมรอยปั๊บ พานึกพักคิดเรื่องการมเรื่องปรุงเรื่องการมอีกแล้วเพราะฉะนั้นการตั้งใจเผาไหนใจได้รับความสงบจึงเป็นเหตุสงบระงับดับกระแสตันหาชะลอตันหาในหัวใจของเราให้หยุดได้ถึงแม้ว่ายังไม่ดับแต่เขาก็สงบสงบนิ่งอยู่ได้เราจะไปสกัดลัดกั้นให้เขาอยู่เพราะกระแสมันเชี่ยวนะกระแสของตันหาในหัว ใ, วใจของเราเอาพิจารณาไปเลยพิจารณาไปเลยไม่ต้องเจริญสัมมาทาดอกใช้ปัญญาเลยใช้ปัญญาเลย อุบายวิธีที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนหลวงตาท่านสอนปัญญาอบรมสมาธิปัญญาอบรมสมาธิปัญญาอบรมสมาธิก็คือการเจริญปัญญานี่เองถ้าเราจะมาเทียบก็เหมือนกับหลักการเจริญของมหาสิปัญฐานนั่นเองอท่านให้เอาสติมาเป็นพื้นเป็นบาดเป็นหลักเป็นฐานสติจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดพระพุทธเจ้าท่านยกเอาเรื่องสตินี้มาสอนพวกเรา ซึ่งเปรียบเสมือนยอดของกรรมฐานยอดของมองกุฎก็คือสติปัฏฐานนี่เองถ้าก็เป็นยอดของมองกุฎเอามือจับลงไปก็ครอบตล่ำรวมอยู่ในนั้นหมดสมถะก็อยู่ในนั้นวิปัสสนาก็อยู่ในนั้นเราเจริญทำเราจะได้โดยเจโตวิมุตต์ก็ตามเราจะได้โดยปัญญาวิมุตต์ก็ตามจะต้องผ่านตรงนี้ทั้งหมด จะต้องผ่านการเจริญตามหลักมหาสิปทานทั้งหมดถ้่หากเราไม่มีสติไม่แต่สมถะเราก็ไม่ไม่สามารถจะเจริญให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราได้ถ้าเราไม่มีสติปัญญาจะเจริญขึ้นก็เจริญขึ้นไม่ได้สติจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดอย่าลืมคิดว่าภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเสียวลาเสียวลาอย่าคิดเด็ดขาดในพุโทโธนั้นมีปัญญาอยู่ในนั้นนะถ้าหากท่านไม่มีถ้าหากท่านไม่มีสติ จิตของท่านจะสงบไม่ได้สติกับสัมปชัญญะจะมาด้วยกันจากนั้นแล้วเราก็มีความอดความทนความภาคความเพียรประคับประคองความมุ่งมั่นความอุตสาห์พยายามก็ใส่เข้าไปแต่ตราบใดที่จิตของเรายังอยู่สิ่งเหล่านี้จะมีพร้อมอยู่ในนั้นทั้งหมดการเจริญจิสติจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะเรา mm hmm. ภาวนาอารมณ์บทเดียวให้ใจของเราสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวอันนี้ท่านถือว่าสงบด้วยอารมณ์ของส ม, มถะ แต่ถ้าเราสงบด้วยเราพิจารณาด้วยเหมือนอย่างเรามีตาดูไปที่รูปแล้วก็เราพิจารณาไค่ครวนรูปนั้นด้วยนี่ท่านเราเป็นเรื่องของปัญญาตามแบบศัพท์ที่เขาเรียกกันทั่วๆไปเขาเรียกว่าเจริญวิปัสนาเจริญวิปัสนาคือเจริญปัญญานั่นเองอเจริญสมถาก็คือเจริญไปแล้วทําให้ใจได้รับความสงบบางสงบบางคนก็ไปตําหนิความสงบอยูอ่ว่าสงบเสียเวลาเสียเวลาเสียเวลา ถ้าเราสงบตามหลักของมัสติปฐานมีทั้งสติมีทั้งปัญญามีทั้งความสงบอยู่ในนั้นระดับความสงบของจิตระดับนี้เรามาพิจารณาเห็นเห็นคุณเห็นโทษเพื่อที่จะปล่อยเพื่อที่จะละเพื่อที่จะวางได้แต่การที่เราจะเข้าไปสงบลึกละเอียดลึกทิ้งอารมณ์ทิ้งอารมณ์วิตกทิ้งอารมณ์วิจารณ์มีความสุขอยู่กับความสุข มีความสุขอยู่คะโอเบกขาเหลือแต่อเบกขากับเอกกัตาเนี่ยคืออารมณ์ที่ละเอียดที่สุดของความสงบในใจของเรามันไม่มีกิริยายจิตที่จะามาใช้อะไรแสดงกับไรก็ให้พักสงบอยู่ในนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็สอนจากนั้นแล้วเวลาเรามาใช้มาพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังนัสตาเราก็จะต้องมาพิจารณามีสติมีสัมผัญยัตกำหนดจดจ่อใครครวนพินิจพิจารณาด้วยเหตุด้วยด้วยผลนี้เอง อ า, อาศัยว่าถ้าหา ก, กิตเรามีพื้นบาดฐานของความสงบแล้วจิตของเราจะไม่ดีดไม่ดิน้นต้องการมาพิจารณายัางไงก็อยู่อย่างนั้นนี่ครูบาอาจารย์ท่านจึงให้เราเจริญส ม, มถะด้วยเจริญวิปัสสนาด้วยโดยเฉพาะอย่างล้มตาเนี่ยท่านให้เราเดินไปด้วยกันเหมือนขวาซ้ายขวาซ้ายเท้าขวาเท้าซ้ายเจริญส ม, มถะเวลาตั้งใจเจริญและส ม, มถะได้รับความสงบอย่างเต็มที่ท่านก็บอกให้เขาสงบให้เต็มที่พอเวลาออกมาแล้ว เราจะได้รับความสงบลึกละเอียดขนาดไหนก็ตามเราต้องการพิจารณาทั้งให้พิจารณาเพราะพื้นเพของคนที่มีความสงบนั้นกับพื้นเพของคนที่ไม่มีความสงบมันจะแตกต่างกันมากเราย้อนดูไปที่ใจของเราเราเคยตั้งใจภาวนาใจได้รับความสงบกับเมื่อก่อนเราไม่เคยภาวนาใจได้รับความสงบเลยมันจะต่างกันมากเห็นตาตาเห็นรูปปั๊บนู่นไปอยู่ที่รูปนั่นโหได้ยินเสียงปั๊บนู่นไปอยู่ที่เสียงคิดนึกเรื่องอะไรปั๊บไปอยู่ที่เรื่องนั้นทั้งหมด แต่ถ้าคนมีความสงบมีสมาธิอยู่ในใจนั้นอ่ะมันยังอยู่ที่ตัวนะตาไปเห็นรูปอ่ะแต่ใจยังที่ตัวนี่นะใจไม่ได้ไปอยู่กับรูปนะเป็นอันเดียวกันกับรูปนะใจยังอยู่ก็อยู่กับเนื้อกับตัวนะหูได้ยินเสียงยังอยู่กับเนื้อกับตัวนะมันไม่ใช่ไปส่งไปทั้งหมดยังมีการแยกแยะยังมีภายนอกยังมีภายในโดยอัตโนมัติของมันอันนี้มีความสําคัญมากมีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นการ การเจริญสมถะก็ตามการเจริญวิปัสสนาก็ตามจึงเป็นช่องทางที่เราทําให้เราเจริญเจริญได้อย่างต่อเนื่องท่านพูดถึงอ น, นิสงส์เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีพระพุทธเจ้าท่านทรงพูดถึงอ น, นิสงส์เอาไว้นะการตั้งใจเจริญสติเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีท่านพูดถึงน ะ, ะคนที่มีความสามาร ถ, าารถเจ็ดวันสามารถได้เป็นพระอรหันต์บางคนเจ็ดวันสามารถได้เป็นพระ อนาคามีบางคนเจวันสามารถได้เป็นพระสกิทาคามีบางคนเจวันมีความสามารถได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยเจเดือนเจปีเงี้ยอ่าบางคนมีความสามารถได้เปลี่ยนพระอรหันต์บางคนมีความสามารถได้เป็นพระอนาคามีบางคนมีความสามารถได้ได้เปลี่ยนพระสกิทาคามีหรืออย่างน้อยที่สุดได้เป็นพระโสดาบันที่เรว่า7็ดวันเจดเดือน7ปี ทำเราทำยังไงเราจะได้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจปีท่านจึงให้เรามาเจริญสติปัฏฐานนี่เองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์ของธรรมเราอยู่กับอารมณ์ของธรรมมันมีผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมที่เรียกว่าธรรมกรรมวิบากธรรมกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมทั้งหมดวันทั้งวันถ้าหากเราอยู่แต่กับอารมณ์ของธรรมเราไม่เปิดโอกาสให้กิเลมันแทรกเข้ามาในหัวใจของเรา มันก็มีแต่ทํากรรมวิบากทากรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของทำทั้งหมดทำทั้งแท่งทำทั้งดุนแต่ถ้าหากเราไม่เจริญธรรมใจของเรามันจะอยู่กับกิเลสนะกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเราไปพิจารณาสองแง่นี้ลองดูวันทั้งวันถ้าหากเราไม่เจริญธรรมเลยกิเลสของเราอยู่แต่กระโลกกับโ ก, กรธกับหลงกับอิจฉาริษยาราชตัญหาสารพัดพันอยู่ในหัวใจของเรามันก็มีผลเพิ่ม ผลเพิ่มของความโลดความโกรธมันมีผลเพิ่มของมันแต่ถ้าเราอยู่กับผลเพิ่มของธรรมะทากรรมวิบากทํากรรมวิบากศีลเราก็เพิ่มสมาธิเราก็เพิ่มปัญญาพิจรารณาหนักเบามากน้อยฉลาดมันก็มีผลเพิ่มมันเป็นเรื่องของทำทํากรรมวิบากเราควรจับให้มัน่นในอาชีนกรรมในชีวิตจิตใจของเราเราควรจะดําหรือว่าเราควรจะอยู่ด้วยทำทํากรรมวิบาก ทำอารมณ์ให้เป็นอธิบดีทำอารมณ์ให้เป็นใหญ่ในหัวใจของเราอยู่กับบทของธรรมตั้งสติกำหนดจดจ่ออยู่จิตของเราจะอยู่กับอารมณ์ของธรรมกราบใดที่เรายังมีสติแน่นหนาะมั่นคงอยู่ดํมมิพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไม่อย่างอื่นมันแทรกเข้ามาอารมณ์ที่เด่นชัดในหัวใจของเราจะเกิดขึ้นได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์พระพุทธเจ้าท่านปรีชาสามารถนะเอา อันนี้แหละมาสอนให้เราให้เราบด ท, ที่เป็นอารมณ์ของอธิบดีอารมณ์ที่ใหญ่เนี่แหละประคองให้ต่อเนื่องไปไม่ไม่ปล่อยให้อารมณ์ที่ต่ําซามันแทรกเข้ามาพุทโธ ด, ดํำ ร, ร, ริประคองจากพุทธไปหาโธประคองจากโธไปหาพุทธเพื่อให้อารมณ์ที่เด่นชัดนี่มันเด่นชัดทุกระยะทุกเวลาจืบซืดเป็ติดกันเป็นพืชไม่ทําให้เกิดช่องเพราะถ้าหามันเกิดช่องขึ้นมาปับ๊บ ฐานะแท้แขึ้นมาทันทีเกิดช่องปับ๊บฐานะแท้เข้ามาทันทีถ้าเราเจริญได้แบบนี้เรามีหวังแน่นอนและเจัน7เดือนเจปีจะต้องได้อย่างน้อยที่สุดได้เป็นพระโสดาบันเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารได้ถึงขั้นปัญญายานถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นอ๋อภพชาติของเราก็จะย่นลงย่นลงย่นลงย่นลงขอให้เข้าถึงขอให้เราได้เข้าถึงเถอะขอให้เราได้เข้าถึง พบชาติของเราก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงบางคนเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยอย่างเต็มที่ทีบตัวไปให้พ้นได้เลยทีบตัวไปให้พ้นได้เลยนี่ครูบาอาจารย์ของเราท่านสอนมีเป้าหมายมีเป้าประสงค์อยู่อย่างนี้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังและพยายามเอาหลักนี้ไปถือตามปประพฤติปฏิบัติตามจะยืนก็มีสติกำหนดจดจอ่ออยู่ในบทธรรมจะเดินจะนั่งจะนอนแม้แต่เราทำงานเราก็สามารถอยู่กับอารมณ์นี้ได้ ซักผ้าอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวคือซักผ้าไม่ใช่ซักไปด้วยจิตคิดล่องลอยสารพัดคิดไปเรื่อยเรื่อยเปื่อยถูบ้านอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวถูบ้านทำโน้นทำนี้ล้างถ้วยล้างจานอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวท่านถือว่าทํางานด้วยแล้วก็เป็นการกําหนดจดจอปฏิบัติทําไปด้วยเวลาเสร็จงานปั๊บย้อนกลับมาที่จิตมีอารมณ์อะไรที่มากระแทกที่ตาที่หูที่จมกูกที่เลี้นที่กายย้อนมาดูที่จิต มีอะไรมากระแทกที่ตาหูจมูกเลี้ยงกายย้อนมาที่จิตย้อนมาทําไมถ้าเราไม่ย้อนมาเหมือนกับเป็นการปล่อยเนื้อปล่อยตัวถ้าหากถ้าเราย้อนมามันเป็นการมาสำรวจตรวจตราดูว่าเป็นการสํารวจตรวจตราดูว่าปัญหามันแทรกถ้าเราไม่ย้อนมาจะญหามันจะแทรกถ้าเราย้อนมามันเป็นการรู้เท่ารู้ทันที่สันยกว่ารู้เท่ารู้ทันคือรู้เท่ารู้ทันอะไร รู้เท่ารู้ทันตันหานี่เองรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก่รู้ปลดรู้ปลดรู้เปลื่อรู้ปล่อยรู้ว่างคือพยายามตั้งสติมันไม่อยู่ในกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสย้อนมากำกับที่ใจได้ยินได้รู้ได้เห็นได้กำกับมาที่ใจจอะเราพิสูจน์ได้เลยเราพิสูจน์เราทดสอบได้สมมติอย่างเรามีอารมณ์ความโกรธดิ้นเร่าๆอยู่ในหัวใจ เราพยายามกำหนดสติจาะลงไปกิริยาที่มันเด่นอยู่นะ่ะสักหนึ่งมันจะจางมันจะคลายมันจะหายไปเลยนะความโลภ ก, ก็เช่นเดียวกันราคะตันหาก็เช่นเดียวกันกิเลส ต, ตัวร้ายกาศขนาดไหนก็ตามโผล่ขึ้นมาที่หัวใจของเราพยายามใช้สติของเราที่ประกอบไปด้วยสมาธิประกอบไปด้วยปัญญาอยู่ในนั้นสติสัมปชัญญะกำกับอยู่ในนั้นตลอดเจาะมันนหัวใจของเรา มันจะละลายคลายจางหายไปเลยนี่วิธีนี้ด้วยเหตุนั้นตันหาในหัวใจของเราเราจึงสามารถสงบระงับได้ในเมื่อเราพยายามไม่ให้ตันหาใหม่มันเกิดตันหาเก่าที่มันมีอยู่ในหัวใจของเราเราพยายามขุดพยายามคน้นใจของเรามันถ้าเราจะเปรียบก็เหมือนกับเรือรั่วเรือรั่วเรานั่งข้ามฟ้าไปแล้วเนี่ยเรือรั่วแสดงมันจะต้องมีรูมีรูน้ําถึงทะลักเข้าไปเรือถึงรั่ว พระฉะนั้นเราต้องการจะข้ามเรือนั่งเรือนี้ข้ามฟากเราจะต้องอุดรูรั่วในเมื่อเราอุดรูปับอ่าเราอุดรูปับเนี่ยมันไม่มีช่องที่น้ําจะเข้าไปในเรือในเมื่อน้ําใหม่มันไม่เข้าน้ําเก่าที่มีอยู่ในเรือเราก็พิดออกเราดูอุปมาอันนี้แล้วเรามาคิดดูว่าความอยากในหัวใจของเรามันจะหมดได้หรือหมดไม่ได้ในเมื่อน้ำน้ำใหม่ไม่เข้าน้ําเก่าเราพยายามวิทย์ออก วิทไปเท่าไรามันก็หมดไปเท่านั้นพิทไปเท่าไรามันก็หมดไปเท่านั้นแต่ถ้าหากเราไม่ทิ้งความพยายามอุปมาณ้จะเป็นจริงให้กับหัวใจของเราแต่ถ้าหากเราทําบ้างไม่ทําบ้างผลก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเห ม, มือน่อเราถึงจะยังไงก็ตามเราจะค่อยๆลุกค่อยๆ ค, ย ค, ยคลานค่อยๆเดินเหยาะเหยไปก็ตามยังดีกว่าคนที่ยังไม่รู้จักช่องช่องไม่รู้จักทางเลย บางคนรู้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ชี้ไปทรงนู้นยืนรีรีแขวงขวงหน่อหันไปหันมาหันมาหันไปอ้าวกลายเป็นหันหลังให้ซะอย่าลืมว่าหันหลังให้ไอ้หนทางที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ให้เนี่ยพอหลังหันให้ปั๊บเดินก้าวไป1นึ่ก้าวสก้าวสาก้าวเดินไปท่านใดห่างไปท่านั้นเดินไปท่านใดห่างไปท่านนั้นห่างไปจากเป้าที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ชี้เอาไว้รีรีขวงแขวงนี่เพราะฉะนั้น นู่เมื่อเรามาตกลงปลงใจและตา อ, อกตั้งใจขยับมาตรงนี้จับได้ช่องจับได้ทางแล้วพยายามขยับเดินตามท่านไปค่อยรูปค่อยคลาคอยเดินค่อยอะไรไปนู่นมันอยู่ที่นู่นแหะเราหันหน้าไปขยับไปจะเดินไปหรือจะวิ่งไปยังไงก็ตามแต่เราจะต้องใกล้เข้าไปเรื่อยใกล้เข้าไปเรื่อยใกล้เข้าไปเรื่อยมันไม่ต่างอะไรกับเราวิ่งเข้าไปหากองไฟทีแรกเรามองตัวเราไม่เห็นเลยมืดตึบ๊บมองตัวเองก็ไม่เห็น เราวิ่งไปใกล้เท่าไรใกล้เท่าไรใกล้เท่าไรเริ่มลางๆเริ่มจะมองเห็นตัวเราและเพราะอะไรเพราะรัศมีของความสว่างมันส่องแสงเข้ามาพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันนั่นแหละยิ่งขยับไปใกล้เท่าไรเห็นเนื้อเห็นตัวเราชัดเจนขึ้นมาโอ้เรานี้เป็นอย่างนี้เป็นงี้นุ่งห่มนี้เป็นอย่าง Helena, างี้เป็นงนี้เป็นงนี้เห็นตัวของเราได้อย่างชัดเจนเห็นพฤติกรรมของใจของเราพฤติกรรมของใจของเราถ้าหากเราไม่เคยย้อนมาเราจะไม่เห็น พอเราจำพอเราไม่เห็นเราไปสร้างทุกสร้างโทษให้กับตัวเองอยู่ทุกระยะทุกเวลาทั้งๆที่เจ้ากรรมนายเวรที่แท้จริงคืออะไรคือนี่แหละคือเจ้าคือจอมที่อยู่ในหัวใจของเรานี่เองตัวนี้แหละมันเป็นเจ้ากรรมเจ้าเวรนี่เนี่ยเจ้าเจ้าเจ้ากรรมนายเวรที่แท้ตัวนี้แหละคือตัวจริงถ้าท่านไปโจทย์ประเด็นไปที่อื่นโอ้โอนั้นเจ้ากรรมนายเวรอนุนอนนอนบางทีท่านตั้งสมุดฐานไปแล้วท่านก็ไม่รู้จะไปแก้อะไรได้ แต่ถ้าหากท่านตั้งสมมติฐานมาที่นี่ท่านสามารถจัดการได้สามารถจัดแจงในหัวใจของเราได้อันนี้คือธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเหตุให้เรามาคลี่คลายในหัวใจของเราเราก็จะได้ข้อปฏิบัติเราจะได้วิธีปฏิบัติเราจะได้ถึงอัดถึงทำอย่างน้อยๆเราได้ประสบความสงบประสบความสุขประสบความเจริญแต่ทุกอย่างมันส่งผลไปตามเหตุตามปัจจัย เราตั้งใจรักษาศีนร้อครั้งสู้เราทําใจะให้สงบหนึ่งครั้งไม่ได้เราทำใจให้สงบร้อยครั้งสู้เราพิจารณาหเห็นอนนี้จังทุกขังอนัตตาแพงแค่เพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นแป๊บเดียวไม่ได้นี่มันมีผลมีในสงถึงอย่างนั้นเพราะการที่เราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นธรรมนั้นก็แค่แป๊บเดียวเหมือนฟ้าแลบนันเองโรแป๊บเดียวหรอโรเท่านั้นเอง ทั้งทั้ี่มืดมืดบอดมาเป็นกลับเป็นกันพอเวลาถึงคราวแวบบเดี๋ยวสว่างเห็นไปหมดนี่เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอานิสงฆ์ทั้งหลายทั้งพวงเหล่านี้ให้เราเลือกเดินเอาให้ทานเราก็ตั้งใจให้ทานอย่างทุกวันนี้พวกเราทําบุญครบวงจรทานเราก็ให้ศีลเราก็ตั้งใจรักษาภาวนาสมถะเราก็เจริญวิปัสสนาเราก็เจริญเจริญสมถะหรือเจริยวิปัสสนา เราเจริญตามหลักมหาสติปัฏฐานก็ได้เจริญตามหลักปัญญาอบรมสมาธิที่หลวงตาท่านสอนนั่นแหละมันเป็นการเจริญตามหลักของมหาสติปัฏฐานเอาสติเป็นพื้นเป็นบาตเป็นบาตเป็นฐานเป็นที่ตั้งตั้งสติกําหนดจดจอ่อรสติเป็นหนึ่งเดียวเด่นรอยู่มาอย่างอื่นโผล่ไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นความรู้สึกนึกคิดใดๆที่จะแทรกเข้ามาที่จิตของเราจะแทรกเข้ามาทางตาท้งหูท้งจมูก ที่ออกไปรู้ไปเห็นนู้นนี่ในเมื่อสติเรากําหนดจดจอยดูมันสักเทวะเห็นจริงๆรู้มันสักเทวะรู้จริงๆตราบใดที่เราไม่มีสติพอพอเราเห็นภาพเราก็ยึดเห็นรูปมัก็ยึดรูปได้ยินเสียงปัมม๊บมก็ยึดเสียงสิ่งที่ดีมันก็ยึดเข้ามาสิ่งที่ไม่ดีมันก็ผลักออกไปทั้งยึดเข้ามาทั้งผลักออกไปมีโทษเท่ากันเนื่องจากว่าไม่รู้ข้อเท็จจริงของธรรมชาติเหล่านั้น แท้่งธรรมชาติบนโลกใบนี้ท่านให้ศึกษาเรียนรู้เพื่อปล่อยเพื่อละเพื่อวางไม่ให้ยึดเข้ามาและก็ไม่ให้ผลักออกไปยึดเข้ามาก็แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจผลักออกไปก็แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจเราต้องการจะเจริญสติให้เห็นชัดเจนเราทดสอบได้เลยเราพยายามตั้งสติขหนดจดจ่อรูอยู่สิ่งที่เห็นอยู่เฉพาะหน้าเรามันเห็นสักแต่ว่าเห็นจริงๆนะเห็นสักแต่ว่าเห็นอ่ามันไม่ให้ความสําคัญว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีแล้วก็ซึมซับ ไปปรุงไปแต่งไปนู้นไปนี้นี่คือภาวะของของจิตของผู้ที่มีความรู้เท่ารู้ทันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เห็นจักจะว่าเห็นอ่าเพราะฉะนั้นพระพายยะท่านได้บรรลุธรรมเร็วพระพรายยะเนี่ยท่านไปค้าสําเภาและเรือแตกสําเภาแตกท่านก็เกาะแผ่นกระดานแล้วก็ไปลอยลอยกเกาะแผ่นกระดานแล้วไปขึ้นที่ท่าท่าสุปารากระ เสื้อผ้าผ่ อ, อ, อนเขาทั้งหลุดลุ่ยไปหมดกลายเป็นคนที่ป่วยกายร่อนจ้อนไปพอขึ้นไปอยู่บนบกเท่านั้นเองมีความละอายอยู่บ้างเอาใบไม้มาปกมาปิดเย็บแล้วก็มาปกมาปิดคนทั้งหลายเห็นเห็นไอความบ้าของคนเห็นอะไรไปแปลกๆก็ยึดเลยแหละโอ้พระทานพระอาหารพระทานเอานุ้นมาให้เอานี่มาให้เอานุ้นมาให้เอานี่มาให้นนใ ห, หนักหกข้าวพระภัยร่เนี่ยหลงตัวเอง หลงตัวเองที่เดือดร้อนถึงเพื่อนเพื่อนตายในขณะที่ไปบําเพ็ญด้วยกันตายไปแล้วไปเป็นเทวดาพอเทวดาที่เป็นเพื่อนเห็นแล้โอ้โอเพื่อนเราเนี่ไปใหญ่แล้วลวงหลงตัวเองลวงคนอื่นแล้วนี่มันเริ่มจะลวงคนอื่นก็เลยไปบอกเพื่อนเพื่อนตอนนี้พระพุทธเจ้าบัตรแล้วนะอยู่ตรงนั้นตรงนั้นอยู่ที่นั่นที่นั่นที่นั่นให้เรารีบไปฟังเทศพระพุทธองค์นะอย่ามาทําแบบนี้เลยมันเป็นการหลอกลวงเขาหลอกลวงตัวเองด้วยหลอกลวงเขาด้วย พระภายักษเลยไปตามที่เทวดา น, นั้นบอกอ่ไปไปก็พระพุทธเจ้ากําลังบินทบาทกำลังบินทบากบทบาก็ขอฟังเทศพระองค์ก็ใช้ขอฟังรอบที่สองพระองค์ก็ใช้พอขอฟังรอบที่ส ม, มันเหมือนกับมีกรรมไปบนบรรดาลใจของพระภายักษ์นะบอกข้าพระองค์ไม่แน่ใจว่าครัพระองค์จะมีชีวิตอยู่ยืดยาวไปเท่าไหร่ขอพระองค์ทรงเมตตาแดงทำกับข้าพระองค์ด้วยเถิดถ้าอย่างนั้น เธจงฟังสักแต่ว่าฟังได้เห็นสักต่ว่าได้เห็นได้ยินสักต่ว่าได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสสักแต่ว่าสักแต่ว่าพระพายะท่านมีบุญมากอยู่แล้วเนี่ยท่านเห็นสักท่านเห็นจริงๆความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดในเมื่อความยินดีไม่เกิดหมายความว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นยินดียินดีก็คือกิริยาของเบญธนา ยินร้ายก็คือกิริยาของเวทนาเมื่อเวทนาไม่เกิดอุปาทานมันก็ไม่เกิดเราลองเห็นสัพท์ทเห็นมันยึดได้ไหมนอกจากเห็นแล้วมันไม่ยึดนอกจากไม่ยึดแล้วท่านให้พิจรารณาเห็นโทษสิ่งที่เราเห็นพิจรารณาแล้วเห็นว่าเป็นโทษเรายึดไหมมันไม่ยึดเช่นอย่างอสอรพิษเนี่ยพอเราเห็นปั๊บเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะจะยึดจะจับมาดึงคอเล่นไม่มีแหละมันจะเคลียร์ออกไปให้ไกลที่สุดเพื่อให้ปลอดภัย จากอันตรายจากสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเรามีสติตื่นรรู้อยู่เห็นจักระทวเห็นไม่ยินดีไม่ยินร้ายเห็นจักระทวเห็นเห็นอารมณ์บ่อยครั้งเข้าเห็นบ่อยครั้งเข้าเห็นบ่อยครั้งเข้านี่ที่ที่จะเนียกว่าเห็นด้วยเบิกขาเห็นด้วยความวางเฉยความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดจิตใจของเราไม่ได้ไปซึมซับอยู่กับอารมณ์อารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสแม้แต่ ทางใจที่ว่าที่ที่เรียกว่าธรรมารมธรรมารมอย่าลืมว่าธรรมารมทุกอย่างทุกเรื่องมันตกผลึกไปอยู่ที่หัวใจของเราน ะ, ะตกผลึกไปอยู่ที่หัวใจของเราเช่อนอย่างรูปเนี้ยเรานึกคิดอยู่ข้างในโอ้รูปนะั้นเราเคยเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นนึกคิดอยู่ข้างในใจเสร็จแล้วกิเลสมันจะเละเลมอยู่ข้างในนั่นแหละจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นอะไรก็ตามที่มันปรากฏที่หัวใจของเรากิเลสมันจะตามและเลมอยู่นั้นแหละ ถ้าหากเราไม่อยู่ในท่าทีที่เราตั้งอกตั้งใจภาวนาเพราะฉะนั้นถ้าหากเราตั้งอกตั้งใจภาวนาคิดอะไรก็รู้คิดปรุงอะไรก็รู้ว่าปรุงนึกอะไรก็รู้ว่านึกเห็นอะไรก็สักคำว่าเห็นลองทําใจให้รู้เท่ารู้ทันดูคําว่ารู้เท่าคือตัณหาไม่เกิดคําว่ารู้ทันคือทันตัณหาตัณหาไม่เกิดนี่คือแค่เราเจริญสติเราทดสอบดูว่าตัณหาสงบระงับดับได้อย่างไรและภพชาติสงบระงับดับได้อย่างไร นิ่ง่าตัณหาไม่เกิดอุปาทานมันก็ไม่เกิดภพก็ไม่เกิดชาติก็ไม่เกิดเราไม่ต้องไปพูดถึงโสกปริเทวะทุกขโทมณัสสอุปาญาตเวลาเราทําให้ตัณหาตัวนี้มันเก้อไปไม่ให้มันเกิดยินดีไม่ไม่ให้มันเกิดยินร้ายมันก็เป็นการตัดกระแสตัดกระแสสมุดโยสมุดโยโหติตัดกระแสเมื่อในเมื่อมันตัดกระแสได้มันก็เป็นนิโรโทโหติดับดับดับดับ คำว่าดับในสีหมายถึงดับตัณหาในหัวใจของเราดับตัณหาในหัวใจของเราคือดับความอยากความอยากของเราดับได้จริงไหมเราลองมาทดสอบดูแค่นี้เราพิสูจน์ดูแค่นี้แล้วเราจะจับยืดยาวไปเป็นข้อปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติถ้าสูงหัวใจของเราดังได้ภาลานามาก็นานพอสมควรแก่เวลาโอ้เป็นระยะเวลาถึงชั่วโมงชั่วโมง13นาทีแล้วนะวัยจะพูดเล็กน้อยพูดไปเนื้อหาของทำยังไม่จบ ก็เลยพันกันไปเรื่อยพันกันไปเรื่อยรู้สึกได้ข้อคิดเห็นข้ออ่านอะไรยังไงบ้างให้พวกเราจับไปถือไปประพฤติปฏิบัติอย่าตำหนิเลยสมรถะอ๋ออย่าไปชมแต่เรื่องของวิปัสนาพยายามเจอให้สู่ตามหลักที่ท่านพูดเอาไว้นี่เถอะหลงตาท่านพูดชัดเจนมากเราตั้งใจทำสงบไปทำให้สงบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาต้องการพิจารณา จากได้รับความสงบมาแล้วจิตของเราไม่หิวไม่ดีดไม่ดิน้นก็ทําให้เราพิจารณาได้อัดได้ทำเห็นอนิจจังเห็นทุกขังอนัตตาถึงแม้ว่าเราจะใช้สัญญาอารมณ์ไปรู้ไปเห็นมันก็จะเริ่มคมเข้าคมเข้าคมเข้าคมเข้ า, ขาจนทําลายสัญญาตัวนี้ได้กลายเป็นปัญญาจากปัญญาพื้นๆจนกลายเป็นปัญญาญานกลายเป็นวิปัสสนาญาณ ดังภารนามาพอสมควรแก่เวลาพอท่านนี้นะเอวังไม่จ้องนโมก็เอวังได้อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตะตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทพนระโสยะฐ า, ามณิโชทิระโสยะถ า, าสัพพีทิโยวิวัจจันตุสัพพโรโคเวนัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาศีลิสนิจังุทธาปะจายโน จตาโรโธรรมวัันที่อายุวันโนสุ ข, ขังภาลังใครจะเนส์ชี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เหมอะนะเนศชี้คือไม่นอนนะนั่งสู้อดทนอยู่นี่แหละนะนะจะอนุโมทนาสาธุล่วงหน้าเลยสาธุนะ